วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันออกพรรษาและเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีพระคุณ อย่างยายหลวงต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวงพวกเราผู้เป็นประสบผู้นิก่อึงได้กันร่วมกันมาทำบุญทำกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพราะว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว สามารถนับเอาไปใช้ประโยชน์ได้บุญนี้มีประโยชน์ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงรับไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะบุญนี้จะทำให้เรามีความล่มเย็นเป็นสุข ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณของพวกเราก็จะต้องอาศัยบุญให้ความสุขกับพวกเราต่อไปเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้ทําเอาไว้ ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อยา่าทําบาปถ้าอยากจะมีความสุขก็พยายามทําบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญอยู่บ่อยๆเพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปกับเราได้ทําบุญไม่สูญเปล่าบุญนี้เป็นเหมือนเอางาินทองที่เราจะเอาไปใช้ต่อไป ในโลกทิพย์พระบุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทำบุญด้วยวิธีการต่างๆวิธีการทำบุญชนิดต่างๆนี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันทรงเรียกว่าบุญยักกิริยาวัตถุสิบประการบุญชนิดที่หนึ่งก็คือ บุญที่เกิดจากการทำทานบุญชนิดที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญชนิดที่สามก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญชนิดที่สี่ก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญชนิดที่ห้า คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทมะอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นบุญชนิดที่หกคือการบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบุญชนิดที่เจ็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะบุญชนิดที่8ด คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญชนิดที่เก้าคือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและบุญชนิดที่สิบก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะต่อผู้อื่นคือให้ธรรมทานนี่คือบุญชนิดต่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทยพยายามทํากันให้ม า, มากมากมากจงยังบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะวันเวลานี้ไม่รอใครวันเวลานี้ผ่านไปถ้าเราไม่แต่ รอเรื่องนั้นรอเรื่องนี้รอเวลานั้นรอเวลานี้เราอาจจะไม่ได้ทำบุญกันดังนั้นเมื่อเรามีเวลาเมื่อไหร่ขอให้เรารีบทำบุญกันเพราะบุญนี้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงที่เราจะเอาติดตัวไปได้ที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปดังนั้นมาทำบุญกัน มาศึกษาวิธีทำบุญกันเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้นำอาไปปฏิบัติต่อบุญข้อที่หนึ่งคือการทำทานทานนี้แปลว่าการให้ให้สิ่งของข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานให้กับผู้ที่เขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน หรือให้กับผู้ที่ไม่ขาดแคลนเดือดร้อนก็ได้การให้นี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับผู้ให้จะได้รับบุญเหมือนกันทำบุญกับพระก็ได้บุญทำบุญกับสัตธาญาติโยมก็ได้บุญทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวสุนัข ก, ก็ได้บุญเหมือนกัน ทำบุญกับนกกับปลาปล่อยนกปล่อยปลาก็เป็นบุญเหมือนกันนะขอให้มีการให้มีการเสียสละแบ่งปันเรามีข้าวของเงินทองที่เราเห็นว่าเราสามารถหาเสียสละยกให้คนอื่นไปได้เพราะเรามีมากเกินความจำเป็น เกินความต้องการของเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราเอามาทําทานกันดีกว่าเวลาทําทานแล้วใจจะเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมานี่แหละคือบุญคือความอิ่มใจสุขใจ เวลาทำบุญขอให้เรามาดูที่ใจของเราใจของเราเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลบุญไม่ต้องคอยรอรับรางวัลจากผู้อื่นการทำบุญทำทานนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากผู้รับเพราะว่ามีผลประโยชน์ในตัวของมันเองเหมือนกับการรับประทานอาหาร รับประทานแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจอิ่มอิ่มทางร่างกายขึ้นมาทาบุญก็จะได้รับความอิ่มใจขึ้นม า, นาวิธีแรกของการทาทานถ้าเรามีข้าวของเงินทองพอเพียงและมีเหลือเฟือก็ให้นำเอาไปทำทานกันทำทานกับวัดทำทานกับ ผู้มีพระคุณวัดนี้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับชาวพุทธเราวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวพุทธเราจึงมักเลือกทำบุญกับวัดกันก่อนเพราะว่าเราต้องอาศัยวัดเป็นที่ให้กำลังใจเป็นที่ให้ความรู้ที่จะพาให้เราได้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดีงาม นนในเบื้องต้นเรามักจะคิดถึงวัดเวลาที่เราจะทําบุญทําทานกันบุคคลเรือบุคคลที่สองเราควรจะคิดถึงก็คือผู้มีพระคุณคือบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ต่างๆเราควรจะทํากับบุคคลเหล่านี้ก่อนถ้าบุคคลเหล่านี้เขาอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนหรือเดือดร้อน ต้องดูแลผู้มีพระคุณของเราก่อนหลังจากนั้นแล้วเราถึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการทำทานไม่ว่าทำกับใครก็ได้ผลเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจอยากจะได้มากก็ต้องทำมากทำน้อยก็ได้น้อยเหมือนกับการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารน้อยก็จะอิ่มน้อยรับประทานอาหารมากก็จะอิ่มมากมบุญที่เราทำนี้จะไม่สูญหายไปความสุขใจที่เราได้รับยังสะสมไว้ในใจของเราอยู่เวลาที่ร่างกายของเราตายไปบุญก็จะมาทำหน้าที่แทนร่างกายต่อไป มาหาความมาให้ความสุขกับใจตอนที่เรามีร่างกายเราก็อาศัยร่างกายเป็นผู้พาให้เราไปหาความสุขต่างๆแต่พอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นผู้พาเราไปหาความสุขต่างๆเราจะเห็นตัวอย่างของบุญได้ ตอนที่เวลาเรานอนหลับ เ, เวลาเรานอนหลับนี้ร่างกายของเราก็นอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรตอนนั้นเราอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราไม่ได้แต่เรายังสามารถหาความสุขได้ในขณะที่เรานอนหลับก็คือหาความสุขจากการฝันดีนั่นเอง การที่เราฝันดีก็เพราะว่าเราได้ทำบุญเอาไว้การที่เราฝันร้ายก็เพราะว่าเราได้ทำบาปเอาไว้นั่นเองนี่เป็นตัวอย่างของบุญหรือบาปที่จะส่งผลกับจิตใจของพวกเราเวลาที่พวกเราไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับเวลาร่างกายนอนหลับก็เป็นการตายชั่วคราว ตายแปดชั่วโมงแล้วจิตก็พอร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็กลับเข้ามาใช้ร่างกายทำหน้าที่ต่อไปแต่ในช่วงที่ร่างกายไม่ทำหน้าที่นอนดับหรือตายจิตก็ต้องอาศัยบุญหรืออาศัยบาปเป็นผู้ให้ความสุขหรือให้ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ ไม่อยากจะฝันร้ายพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้ทำบุญชนิดที่สองบุญชนิดที่สองก็คือการรักษาศีลรักษาศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาปได้แก่หนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์สองละเว้นจากการรักทรัพสาละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี สี่ละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงห้าละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและเครื่องมึนเมาทั้งหลายพอเมื่อมึนเมาแล้วก็จะขาดสติเวลาใจคิดเรื่องที่ไม่ดีก็จะยับยั้งไม่ได้ก็จะทําให้ทําบาปได้ง่ายกว่าเวลาที่ไม่มึนเมา ถึงต้องอย่าเสพสุราอยาเมาหรือเครื่องบุญเมาต่างๆต้องรักษาสติสตไว้ให้ดีเพราะสตินี้จะห้ามจิตใจไม่ให้กระทำบาปได้ถ้าทำบาปนี่เวลาตายไปบาปก็จะเป็นผู้มีบทบาทต่อดวงวิญญาณของพวกเรา จะสร้างความทุกข์ชนิดต่างๆให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาตื่นก็มีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับผลกบของการกระทำบาปที่ได้ทำไว้กลัวจะถูกล้านแค้นกลัวจะถูกจับไปลงโทษ และเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายถ้าไม่อยากจะพบกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เรามารักษาศีลกันมาละเว้นจากการกระทำบาปห้าข้อด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา ถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าเวลาเรานอนหลับเราจะไม่ฝันร้ายและเวลาตายไปดวงวิญญาณเราจะไม่ไปอยู่ในอบายอบายก็คือดวงวิญญาณที่ทำบาปที่มีความทุกข์หุ่มห่อดวงวิญญาณเอาไว้ทำให้ดวงวิญญาณ น, นี้หิวโหวยหรือหวาดกลัวหรือเครียดแค้น การกระทำบาปนี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งทำบาปด้วยความหลงหรือไม่รู้ว่าเป็นบาปผู้กระทำบาปแบบนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้จักบาปนั่นเองเขาต้องอาศัยการฆ่ากันเพื่อเป็นการดำรงชีพ ถ้าเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้ว่าการกระทำบาปเป็นบาปมีโทษทําไปเพราะคิดว่าเป็นการดํารงชีพเราก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานพอร่างกายตายไปจะไปเกิดใหม่จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหิวโหยดวงวิญญาณชนิดนี้ท่านให้ชื่อว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวดวงวิญญาณชนิดนี้ท่านก็เรียกว่าอสุนละกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นจงรักจงชังก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทคุกคามอยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณชนิดนี้เรียกว่านารกนี่แหละคือที่ไปของผู้ที่กระทำบาป ถ้ารักษาสีลห้าได้หรือถ้าทาบุญมากกว่าทาบาป เ, เวลาที่จิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะถูกบุญกับบาปนี้มาแย่งชิงกันถ้าใครมีกำลังมากกว่าก็จะดึงจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณให้ไปในทางของผู้ที่มี กำลังมากกว่าถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะเดึงจิตใจให้ไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรกแต่ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเดึงจิตใจให้ไปเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ บุญและบาปนี้ที่ทำไว้นี้จะบทได้ก็ต่อเมื่อไปรับผลเช่นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำบุญบ้างเราทำบาปบ้างพอเวลาเราตายไปบุญกับบาปนี้จะมาแย่งจิตใจไปใครมีกําลังมากกว่าก็จะดึงจิตใจไปทางนั้นเช่นถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงให้จิตใจไปรับผลบาปก่อนแต่ผลบุญนี้ยังไม่หายไปไหนผลบุญก็ยังมีอยู่แต่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงจิตใจไปรับผลบุญได้เพราะว่าบาปที่ทำไว้มีกำลังมากกว่าแต่พอไปรับผลบาปแล้วบาปที่ทำไว้ก็จะค่อยหมดค่อยลดลงไป พอบาปได้ลตลงเท่ากับปริมาณของบุญก็ดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เดริตนิสัยคนบางคนที่เคยชอบทําบาปเวลากลับมาเกิดก็จะมาทําบาปต่อคนที่ชอบทําบุญเวลากลับมาเกิด ใหม่ก็จะมาทำบุญต่อแล้วก็จะรอตอนที่ตายก็จะถูกบุญหรือบาปนี้เป็นผู้คอยเป็นผู้จะดึงให้ไปรับผลก่อนอันนี้คือพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้รักษาศีลกันละการกระทำบาปหรือถ้าต้องทำก็ทำให้มันน้อยกว่าบุญ แต่ไม่ทําได้จะดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าบุญหรือบาปไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องรับผลกันนะนี่คือข้อที่สองของการทําบุญคือการไม่ทําบาปเนี่เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเพราะจบปกป้องดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณไม่ให้ไปตกต่ําไม่ให้ไปรับ โทษในอบายนั่นเองนะครับบุญข้อที่สามที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจหรือการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจของปุถุชนอย่างพวกเรา เป็นจิตใจที่ยังมีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองอเจือปนอยู่ทำให้จิตใจของเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์เป็นจิตใจที่ยังมีความทุกข์มีความเศร้าหมองอยู่ถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์มีความเศร้าหมองก็ให้มาหัดภาวนากัน การภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทาจิตใจให้นิ่งให้สงบพะเวลาที่จิตใจนิ่งสงบกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะสงบตัวลงชั่วคราวช่วงนั้นจิตใจก็จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มเอิบใจที่เหนือกว่าความสุขความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากการกระทำบุญชนิดต่างๆหรือเกิดจากการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้พบกับความสุข น, นี้แล้วก็จะทำให้ไม่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่ต้องไปทำบาปทำอะไรเพราะเวลาเกิดความอยากที่จะหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑถ้าไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีไม่ทำบาปก็มักจะต้องไปทำบาปกันดังที่เราคงได้ยินได้ฟังตามข่าวแทบทุกวันว่ามีการลักขโมยกันมีการทำร้ายร่างกายกัน เพราะว่าเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันก็เลยต้องไปลักขโมยหรือไปป้นไปจี้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อืน่นถ้าใจมีความสุขมีความพออยู่ในใจ<ๆ>ก็จะไม่มีอะไรมาบังคับให้ใจต้องไปทำบาปไม่ต้องไปหาอะไรมาให้เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งต่างๆที่หามาได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจงนั่นเองคือไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปมีการเจริญก็มีการเสื่อมไป ถ้าไปหาสิ่งต่างๆมาในเบื้องต้นก็จะได้ความสุขแต่ต่อไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปหรือหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นผู้ที่สามารถหาความสุขจากการทําความสงบได้ก็จะไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ทุกข์ให้ความทุกข์กับใจน ขั้นที่หนึ่งจึงต้องมาทำใจให้สงบเรียกว่าสมถิภาวนาการทำใจให้สงบนี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้คอยควบคุมความคิดปรุงแต่งที่เราคิดกันตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเราเลยไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความวุ่นวายใจ ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองถ้าเราไม่ได้มาเจอนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้พวกเรามาฝึกสติกันมาหยุดความคิดกันเราจะไม่มีวันรู้จักกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเลยแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่เราได้จากการภาวนาสมถภาวนา ความสุขที่เราได้จากการเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้นี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขแบบนี้เราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาเพื่อที่จะมาหยุดความคิดปุงแต่งของใจถ้าหยุดได้ใจก็จะสงบใจจะเย็นจะสบายมีความสุข คือวิธีที่หนึ่งของการภาวนาคือการใช้สติมาควบคุมความคิดปรุงแต่งเพื่อทำใจให้สงบวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมานี่มีหลายชนิดเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่คืออารมณ์ ที่เราจะมาใช้ในการสร้างสติในการฝึกสติสติจะไม่เกิดถ้าไม่ใช้กรรมฐานถ้าอยากจะมีสติต้องมาฝึกกรรมฐานกันกรรมฐานก็มีอยู่สี่สิชนิดแต่เราไม่ต้องรู้ทั้ง4ี่ิชนิดในเบื้องต้นเราเพียงแต่รู้กรรมฐานชนิดที่เหมาะกับผู้เริ่มปฏิบัติก็พอ กรรมฐานที่เหมาะกับผู้เริ่มปฏิบัติก็คือพวกอนุสติเช่นพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธคุณหรือระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติอย่างหนึ่งโดยการใช้กรรมฐ า, านคือพุทธโธ ท, ที่เป็นพุทธานุสติ กรรมฐานชนิดนี้เป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ทุกเวลาถ้าเป็นยาก็เป็นเหมือนยาหม่องใช้ได้ทุกกับโรคต่างๆคันตรงนั้นก็ใช้ยาหม่องเจ็บตรงนี้ก็ใช้ยาหม่องใช้ได้ทุกสถานการณ์ฉันใดพุทธานุสติคือการนับลึกถึงพุทโธพุทโธเราก็สามารถใช้ได้ทุกเวลา ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพ่าเราตื่นขึ้นมาพอใจเริ่มคิดเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันเลยแข่งกับมันมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนที่ไม่จําเป็นเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะจางไปหายไป แต่ถ้าเรื่องจำเป็นต้องคิดก็คิดได้เราตอนที่จำเป็นจะต้องคิดเรื่องที่จำเป็นเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวคิดเรื่องที่เราต้องไปทำเช่นวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทำอะไรพอเรารู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรขณะที่เราไปเตรียมตัวไปทำเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําไปล้างหน้าแปรงฟันไป แต่งเนื้อแต่งตัวไปหวีผ้าหวีผมไปก็พุทธโธพุทธโธไปอย่างนี้จะทำให้เรามีสติจะทำให้เราไม่คิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านอันนี้วิธีหนึ่งของการเจริญสติก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งสงบได้เราต้องเจริญสติก่อนแต่ถ้าเราต้องการให้จิตนิ่งสงบหลังจากที่เรามีสติแล้วเราต้องนั่งเฉย เพราะถ้าเราไม่นั่งเฉยๆร่างกายยังทำงานอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าจิตใจยังทำงานอยู่นั่นเองเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เกิดจากการสั่งการของจิตใจนั่นเองถ้าใจไม่สั่งร่างกายทำอะไรไม่ได้ร่างกายลุกขึ้นไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้ร่างกายต้องรอคําสั่งของจิตใจ ดงนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายก็สแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวทางจิตใจจิตใจก็จะไม่มีวันสงบได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายดังนั้นถ้าอยากจะให้จิตสงบอย่างเต็มที่ก็จําเป็นที่จะต้องนั่งเฉยๆพอมีสติแล้วเวลานั่งเฉยๆจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกยากลำบากจะรู้สึกง่ายสบาย นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากคำบริกรรมมาใช้สันนุสติอีกแบบหนึ่งก็สามารถทำได้ก็คือเราใช้อานาปนาสติอานาปนาสตินี้แปลว่าการระลึกลูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก อาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกหรือลมออกลมเข้าเนี่ยเรียกว่าอาณาปานะสติก็คือการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกรู้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่นิยมใช้ก็มีอยู่สองจุดถ้าดูลมที่ท้องหน้าท้องก็จะเรียกว่ายุบหนอพองหนอ เวลาลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบเข้าไปผู้ปฏิบัติแนวนี้ก็มักจะใช้คำว่ายุบหนอพองเนอเพื่อที่จะคอยควบคุมความคิดไว้ถ้าใช้อีกจุดหนึ่งคือใช้ที่ปลายจมูกอันนี้ก็ให้ดูลมที่สัมผัสเข้าออกตรงปลายจมูกหรือเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นมา ให้มีสติรู้อยู่ตรงจุดนั้นดูอยู่ตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียวถึงจะนิ่งถ้าตามลมเข้าลมออกจิตจะไม่นิ่งเพราะจิตจะต้องทำงานให้จิตสัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังออกลมกำลังเข้าถ้าลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้น หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวคือไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปบังคับให้หายใจยาวยาวหรือให้หายใจสั้นสั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะถ้ามีการบังคับก็ถือว่าเป็นการทำงานของจิตนั่นเองยิ่น้อย่าไปบังคับดมเราต้องการให้จิตรู้เฉยเฉยจิตถึงจะนิ่งสงบถึงจะรวมเป็นหนึ่งได้ ถึงจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นี่คือวิธีการฝึกสมถภาวนาจำเป็นที่จะต้องมีสติก่อนจำเป็นจะต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งของจิตทุกเวลานาทีในขณะที่ ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดแต่ใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือดับจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าเมื่อยไม่อยากจะบริกรรมก็ให้ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้อันนี้ก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งเรียกว่ากายะกะตาสติคือการมีสติและเลึกเลือกอยู่กับอีเดียบท การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังนั่งกำลังรับประทานอาหาร <c oughs> กำลังทำอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการกระทานั้นๆให้เป็นการกระทาที่ไม่ต้องใช้ความคิดจะดีกว่าการกระทาที่ใช้ความคิดเพราะว่าถ้ามีเป็นการกระทาที่ต้องใช้ความคิด จิตก็จะทำงานมากถ้าเป็นการกระทาที่ไม่ต้องใช้ความคิดจิตก็จะทำงานน้อยการกระทาที่ไม่ใช้ความคิดก็เช่นการล้างหน้าแปรงฟันทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนี้จิตก็ไม่ต้องคิดมาผู้ที่ต้องการจจริญสติผู้ที่ต้องการควบคุมจิตใจให้สงบจึงมากต้องหาเวลาว่างจากการทำภารกิจการงานต่าง พาเวลาทำภารกิจการงานต่างๆที่ต้องใช้ความคิดนี้จะไม่สามารถควบคุมความคิดได้จะไม่สามารถนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบให้นิ่งได้การที่จะมาภาวนาได้จริงๆอย่างจรงจึงต้องมีเวลาว่างเช่นวันหยุดทางาน แทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็ไปหาที่สงบเช่นตามวัดว า, ารามต่างๆเพื่อที่จะได้ไปเจริญสติไปควบคุมความคิดไปฝึกสมถภาวนาเพื่อหยุดกิเลสตัณหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับจิตใจ อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งถ้าเราสามารถทําจิตใจให้สงบได้จิตใจก็จะมีความอิ่มมีความสุขในตัวเองก็จะมีความสามารถที่จะต่อต้านความเนืต่อต้านกิเลสตันหาหรือทําลายกิเลสตันหาให้หมดไปจากใจได้ด้วยการปฏิบัติภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็คือการใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งว่าความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากการกระทําตามกิเลสตัณหาตามความโลภความโกรธความหลงตามความอยากต่างๆถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาแต่เดี๋ยวก็ต้องเกิดความเสียใจทุกข์ใจตามมา เพาสิ่งที่ได้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนเวลาอยู่กับเราก็ดีแต่เวลาจากเราไปก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้ถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องห้ามความอยากไม่ทําตามความอยากถ้าใจมีความสงบมีความอิ่มก็จะสู้กับความอยากได้ ถ้าไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มเวลาเกิดความอยากก็จะทนไม่ไหวเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มกับคนที่ยังไม่กินข้าวอิ่มนี่จะมีความรู้สึกต่างกับอาหารถึงแม้ว่าถ้ากินข้าวอิ่มแล้วถึงแม้ว่าใครจะยกอาหารจานเด็ดมาให้ก็บางทีก็ไม่อยากจะกินเพราะกินไม่ลง แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้กินอาหารนี่พอได้เห็นอาหารจานเด็ดขึ้นมาก็จะอดไม่ได้สู้ไม่ไหวเราจึงต้องสร้างความอิ่มความความความสุขให้กับใจด้วยการเจริญสมถภาวนาก่อนเมื่อเราสร้างความสุขความอิ่มใจได้แล้วเราก็มาใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาทำลายกิเลสตันหาด้วยการเห็นโทษของ การทำตามกิเลสตัณหาว่าจะนาพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนะพอเราเห็นภาพที่จะตามมาที่เกิดจากการไปทำตามความอยากทำตามความโลภเราก็ไม่ทำดีกว่านะถ้าเรามีความอิ่มความสุขในตัวเราเราไม่เดือดร้อนไม่ทำตามความอยากได้ ต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปและหมดไปได้ในที่สุดเนี่ยพอหมดความอยากแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราก็จะหายไปหมดใจของเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าใจของพ่อหลานเป็นแบบนี้เป็นใจที่ได้ชําระกิเลสตัณหา ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นใจที่เต็มไปด้วยบารมิสุขที่เรียกว่าบารมังสุขขังใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเรียกว่านิพพานนิพพานนี้เป็นบรมสุขแล้วก็เป็นจิตที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะจิตไม่มีความอยากหาความสุขจาก ผ่านทางร่างกายอีกต่อไปไม่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่มีความสุขจากการหาลาบยศสรรเสริญจิตมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขเหล่านี้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขที่ด้อยกว่าก็โดยไม่มีอะไรที่จะดึงจิตใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปออนี่คือผลประโยชน์ ที่จะได้รับจากการบาเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าเป็นบุญที่สูงสุดในบรรดาบุญทั้งหลายบุญที่เกิดจากการภาวนาแต่การที่จะภาวนาได้เข้าถึงภาวนาได้ก็ต้องอาศัยบุญที่เกิดจากการทําทานก่อนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก่อนถึงจะสามารถไปสู่ บุญที่เกิดจากการภาวนาได้และบุญอีกชนิดหนึ่งที่จําเป็นต่อการภาวนาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็คือเห็นว่าบุญนี้เป็นประโยชน์เป็นสุขบาปนี้เป็นโทษกิเลสตัณหาเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจ เป็นผู้พาใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นเหล่านี้แสดงว่าเราจะไปถูกทางเราจะไม่หลงทางถ้าเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องอาศัยบุญอีกชนิดหนึ่งสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นบุญที่จะสร้างความเห็นให้ถูกต้องก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนั่นเอง บุญที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าทุกคำพูดนี้ออกมาจากความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ว์เห็นตามความเป็นจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญของบาป เห็นโทษของกิเลสตัณหาที่พาให้จิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเรามักจะได้ยินแต่เรื่องราวเหล่านี้เราจะได้ยินเรื่องให้ทําบุญเรื่องให้ละบาปเรื่องให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรม ถ้าเรายัางไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องในตัวเราเราก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามาเป็นแสงสว่างนาทางถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะพาเราไปสู่การทำบุญทาทานนี้พาไปสู่การรักษาศีลพาไปสู่การภาวนา การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นบุญที่สำคัญ ừ, พอๆกับบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง ừ, เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างนำนำ จ, จิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ที่ควรนั่นเองถ้าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดสัมมาทิฏฐิเราก็จะมีมิจฉาทิฏฐิพาอรกไป มิจฉาทิฏฐิก็จะพาเราไปอีกทางหนึ่งพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดมิจฉาทิฏฐิคืออะไรก็คือความเห็นที่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีผลของบุญคือสวรรค์ไม่มีผลของบาปคือนรกไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตายแล้วศูญย์ เพราะว่าเห็นเพียงแต่ร่างกายร่างกายของพวกเราทุกคนตายแล้วต้องสูญต้องสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ผู้ที่ทําบุญทําบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการกระทำบุญกระทำบาปผู้ที่ทำบุญทําบาปก็คือผู้รู้ผู้คิดที่เป็นที่เราเรียกว่าจิตใจในขณะที่อยู่กับร่างกาย และเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณผู้นี้ต่างหากที่เป็นผู้ทำบุญทาบาปผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปไปอบายไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปนิพพานคือผู้รู้ผู้คิดนี้คือจิตใจหรือดวงวิญญาณอันนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะพาไปสู่พานิพพาน ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิมีมีความเห็นว่าบุญไม่มีจะทำบุญไปทำไมเสียดายเงินเสียเวลาเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ดีกว่าเลยแล้วเมื่อไม่เชื่อว่ามีบาปก็ไม่กลัวการกระทำบาป อย่างมากก็ถ้าทำบาปผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับติดคุกติดตารางแต่สมัยนี้ถ้าฉลาดหรือมีเงินก็อาจจะไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ได้คนสมัยนี้เลยไม่ค่อยกลัวบาปกลัวคุกกลัวตารางกันเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะซื้ออิสรภาพของเขาได้แล้วเขาไม่เชื่อว่าตายไปแล้วเขาจะต้องไปรับผลบาปเขาก็เลยไม่กลัวเรื่องการกระทำบาป เขาต้องการอะไรแล้วเขาไม่สามารถหามาได้โดยไม่ได้ทำบาปเขาก็พร้อมที่จะทำบาปทันทีนี่คือมิจฉาทิฏฐิจะพาให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเรยพราะมิจฉาทิฏฐิจะบอกว่าให้หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันพอไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะติด แล้วก็จะต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วพอร่างกายนี้ตายไปความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะดึงดวงวิญญาณให้กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาทำบุญทมาทาบาปกันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่ นี่คือผลที่เกิดจากการมีมิจฉาทิฏฐิจึงควรที่จะพยายามกำจัดมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ด้วยการเข้าหาผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็มีสองคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรายังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของพระธรรมคาสอนอยู่ แต่เราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราสามารถไปศึกษาได้จากพระไตรปิฎกศึกษาจากคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดสัตว์ทุกวันยกเว้นวันที่พระองค์พระปราภพาธหรือปชวนไม่สามารถทาหน้าที่ได ถ้าตามปกติแล้วจะสอนธรรมะสอนสัมมาทิฏฐิให้กับพุทธบริษัทยามบ่ายก็แสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมยามค่ําก็แสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณียามดึกก็แสดงธรรมให้กับให้กับเทวดาทั้งหลายและยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินถบาตก็ทรงด็งยานดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใคร เป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนแล้วธรรมะที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นก็ได้มีการจดจาและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกับเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเพราะภาษาอาจจะมีการเปลี่ยนไปการแปลภาษาอาจจะไม่ตรง กับเป้าหมายเดิมสั่งแล้วอาจจะรู้สึกไม่ชัดเจนเราก็ยังมีผู้ที่จะมาช่วยขยายความให้กระจ่างก็คือพระอริยะบุคคลต่างๆที่เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนมีสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นมาในใจแล้วก็สามารถเข้าหาบุคคลเหล่านี้ได้เข้าหาพระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ ในวงการพุทธศาสนานี่แหละถ้าเรารู้จักหาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะค้นพบนี่ยวิธีที่จะหาก็ต้องผ่านการศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎกก่อนเมื่อเราได้ศึกษารู้คร่าวๆว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนอะไรแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ไปหาผู้ที่สอนที่สามารถทำให้เราเข้าใจได้ เราก็จะรู้เวลาเราไปฟังธรรมจากคนนั้นคนนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ว่าการแสดงธรรมของท่านนี้ตรงตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่และสามารถทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้ากระจ่างขึ้นมาได้หรือไม่น ถ้าได้ก็แสดงว่าบุคคล น, นั้นย่อมเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยเป็นผู้นำทางเราไดน้นี่คือเรื่องของความสำคัญของการศึกษาของการฟังเทศฟังธรรมของการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ เป็นการปิดทางสู่พระนิพพานนั่นเองเป็นการเปิดทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐินี้จะเห็นว่าการหาความสุขในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางลาบยศสรรเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสดั่างที่เราคงเห็นกันในปัจจุบันนี้ มีผู้ที่ลหลงไหลกับการหาลาบยศสจรเสริญหารูปเสียงกิริลดกันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นผู้ที่ไม่คิดว่าตายไปแล้วจะมีผู้ไปรับผลบุญผลบาปมีผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดหรือมีผู้ไปพระนิพพานจึงไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ได้ด้วยตาเปล่านี้เอง การจะเห็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดผู้รู้ผู้คิดผู้ที่จะเป็นเป็นดวงวิญญาณนี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกสมาธิได้เจริญภาวนาสามารถทำจิตใจให้สงบได้พอมาทำจิตใจให้สงบจิตใจกับร่างกายจะแยกออกจากกาันชั่วคราวให้เห็นชัดว่าเป็นสองบุคคลจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าว จิตใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วจิตใจเป็นผู้รับผลของการกระทาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับมีดอย่างนี้มีดนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้เอาไปทำให้เกิดความเสียหายก็ได้แต่ผู้ที่รับประโยชน์รับโทษนี้ไม่ใช่มีดเวลา ผู้ที่รับโทษก็คือผู้ที่ใช้มีดเนี่ยเวลาตำรวจจับเขาไม่จับมีดเข้าไปขังคุกขังตารางเวลาเอามีดไปฆ่าคนไปแทงคนเขาจับคนที่ใช้มีดนั้นไปรับโทษฉนันใดผู้ที่ใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ใช้มีดส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมีดนร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผล ของการกระทาของใจผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปผู้ที่รับโทษหรือรับผลก็คือใจโทษของการทำบุญก็คือความสุขผลของการทำบุญก็คือความสุขใจผลของการทาบาปก็คือความทุกข์ใจในปัจจุบันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปในสภาพของดวงวิญญาณที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์และยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดใหม่อีกมาทํามาทำการหาความสุขแบบที่เคยทำต่อไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้พบกับผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิที่จะบอกว่าวิธีการหาความสุขแบบนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขถ้าอยากจะหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ต้องหาด้วยการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องหาด้วยการทําบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเท่านั้นนะพอได้พบกับ ผู้มีสัมมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกท่านก็จะสอนให้เราทำทานรักษาศีลภาวนากันพอเราเชื่อแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เห็วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ปราศจากความทุกข์ เพราะว่าจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจะมีแต่ความสุขที่เป็นบรล ม, มัสุขที่เป็นความสุขที่จีหลังถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมหรือมีความเห็นที่ถูกต้อง พอเราได้บรรลุธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็สามารถทำบุญอีกชนิดหนึ่งได้คือการแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญเวลาทำให้ผู้อื่นเกิดมีหูตาสว่างขึ้นพ้นพิษพ้นภยัยพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เห็นเขายิ้มแย้มแจ่มายได้แทนที่จะเห็นเขาร้องห่มร้องไห้มันก็ทำให้ผู้ช่วยเหลือนั้นเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะก่อนที่จะให้ธรรมะได้ก็ต้องมีธรรมะก่อนก่อนที่จะให้เงินผู้อื่นได้ก็ต้องมีเงินก่อนถึงจะเอาเงินให้คนอื่นได้ก่อนที่จะเอาธรรมะให้ผู้อื่นได้ก็ต้องมีธรรมะในตนเองก่อน ถ้าไม่มีธรรมะในตนเองก็อาจจะขอยืมธรรมะของผู้อื่นให้ไปก็ได้เช่นครูบาอาจารย์หรือหนังสือธรรมะดีๆของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาพิมพ์มาแจกกันเป็นธรรมทานอันนี้ก็สามารถทำได้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีธรรมในตนเองแต่เห็นคุณค่าของธรรมที่ได้อ่านได้ศึกษาว่ามีคุณมีประโยชน์ก็อยากจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ก็สามารถทำบุญทาทานด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้กันได้นะครับนี่คือวิธีสร้างบุญสร้างความสุขต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนซึ่งยังไม่ครบทั้งสิบประการแต่คิดว่าวันนี้พอสมควรกับเวลาให้ญาติโยมเอาไปใช้ประโยชน์ได้คือขอให้ฟั่งเทศฟังธรรมบ่อยๆ เพื่อที่จะได้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะพาไปสู่การกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องก็คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลห้าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เองสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอได้มีการกระทําที่ถูกต้องผลก็จะเกิดเป็นความสุขเกิดจัก เกิดเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้กันอีกต่อไปจะอยู่ในอยู่ที่พานิพานที่มีแต่บรมีสุขคือเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ บุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาก็ทํากันเพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสาหรับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญที่เราได้สร้างกันนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพารุโคลวินัสตุมาเตภวตุวันตาราโยสุขีทีกายุโกภวะ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 พอหลังจากเลิกเราจะข อ, องดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามจาก Facebook 358 y อยห้าสิบแวดยที่อยห้าสิบสามทออนไลน์ย25้ารับทังบลเข่าสองรอยเจ็สิบรวมหนึ่งพันหนึ่งร้ยหท่านค่ะวันนี้เป็นประวัติการเ <c oughs> มื่อเช้านี้คนใส่บาตรเทวมาลูกกี่พัน สองชั่วโมงกว่าจะเสร็จเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเกือบเก้าโมงนะเก้าโมงเดินทาบจะเป็นลมนะหมออาจจะเป็นเพราะอันนี้คิดถึงในหลวงนะคิดถึงในหลวงรอเก้าก็ทำบุญถวายเป็นพระราชกคุศลกความจริงท่านไม่ต้องการหรอกท่านเป็นมหาเศรษฐีบุญนะแต่พวกเราเนะี่ยต้องการ ทำไปเถอทําเพื่ อ, อ พ, วพวกเรามากกว่ า, า, าโดยอาศัยท่านเป็นเหตุก็แล้วกันถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ชอบทํากันอา่ามีคําถามไหมกลาบนะมักสการเจ้าค่ะถ้าร่างกายไม่ตายแล้วเฮ้ยถ้าร่างกายตายแล้วจิตไม่ตายจิตมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ อ๋จิตมันเหมือนท้องฟ้าไงมันไม่มีวันหมดเคยเห็นท้องฟ้ามันหมดไหมท้องฟ้ามันเป็นยังไงจิตก็เป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเกิดไม่มีดับแต่สิ่งที่อยู่ในท้องฟ้ามีเกิดมีดับใช่ไมมีดวงอาทิตย์มีดวงเดือนเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกมีเมฆมีหมอกแต่แต่ท้องฟ้านี้ไม่มีวันหมด จิตก็แบบเดียวกันผู้รู้ผู้คิดเป็นแบบท้องฟ้าไม่มีวันหมดนะครับไปสวรรค์ไปนรกก็อยู่ที่ทำบุญหรือทำบาปไปนรกก็ไปเจอแต่ความทุกข์เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันร้ายไปสวรรค์ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันดีอยากจะฝันดีอยากจะมีความสุขก็ทำบุญไม่อยากจะฝันร้ายก็อย่าไปทำบาป กา<อ><อ>บนบมัสการเจ้าค่ะตั้งแต่มาฟังธรรมพระอาจารย์รู้สึกว่าแก้ปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยควบคุมตัวเองได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเวลา ภาวะจิตมันเกิดความร้อนขึ้นมาเหมือนความโกรธขึ้นมาเราสามารถดับความคิดตรงนั้นได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นภาวะจิตประเภทไหนเจ้าคะก็จิตที่มีสติมีปัญญามีสติคือมีกำลังหยุดปัญญารู้ว่ามันไม่ดีรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้สุกรู้ทุกเนี่ยคือปัญญาส่วนตัวที่จะหยุด สิ่งที่ไม่ดีได้ก็คือสติบางคนรู้แต่หยุดไม่ได้แสดงว่ารู้มีปัญญาแต่ไม่มีสติรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีก็ยังกินอยู่นั่นอย่างนี้แสดงว่ารู้มีปัญญาแต่ไม่มีสติต้องฝึกสติให้มากแล้วเดี๋ยวพอรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็จะหยุดมันได้ขอบคุณเจ้าค่ะ พยายามทำต่อไปฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆจะได้ปัญญามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ฝึกสติบ่อยๆต่อไปความทุกข์จะไม่เข้ามายุ่งกับเราเราไปดึงมันเข้ามาเองต่อไปเราไม่ดึงมันเข้ามาเราไปไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์เราจะมีแต่ความสุขทั้งๆที่เราไม่มีอะไรดีกว่าคนที่มีเยอะแยะแต่มีเรื่องปวดหัวให้ปวดอยู่ทั้งวันทั้งคืน ค่ต่อไปคำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะการควบคุมกามราคะโทสะโมหะมิให้กำเริบขึ้นนี้คือจุดมุ่งหมายของศีลข้อเจในศีลแดหรือศีลอุโบสถอันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหมือนรั้วแต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เพียงแต่การไม่ให้ออกไปสร้างปัญหา เหมือนวัวควายที่เราต้องทำอคอกไว้ถ้าเราไม่มีอคอกเดี๋ยวมันก็ออกไปไปทาเรื่องราวเสียหายได้เราจึงต้องทำอคอกไว้คุมสัตว์เลี้ยงความโลภความโกรธความหลงการมาราคะนี่ก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เราต้องคอยควบคุมไม่ให้มันออกไปสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวให้กับเราเราก็ต้องใช้ศีลเป็นเหมือนรั้วกัน้น แต่ยังไม่สามารถหยุดมันได้จะหยุดมันได้ต้องใช้สติใช้กรรมฐานอสุภะอย่างเงี้ยพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายต่อไปกามราคะมันก็จะหดไปคำถามจากคุณ Back to Nature <c oughs> จิตที่หมดกิเลสแล้วถือว่าเป็นอนัตตา หรืออัตตาครับเ อ, อ๋อไม่เป็นหรอกมันไม่เกี่ยวกันนาตาหรืออัตตาสิทธิจิตที่สิน้น เ, เกลเลก็เป็นจิตที่สิน้นเกลเล น, นเหมือนเสื้อเน่ยเสื้อที่มันมีความสกรปรกกับเสื้อที่ไม่มีความสกรปรกมันก็เป็นเสื้อมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่จําเป็นจะต้องไปว่ามันเป็นอัตตาหรื อ, อรนาตามันไม่มันไม่เกี่ยวกันเรื่องอัตตานาตาที่ท่านให้สอนเราพิจารณานาตาก็เพราะเราไปหลงในสิ่งที่มัน ไม่เป็นอัตมันไม่เป็นอัตตาแล้วเราไปคิดว่ามันเป็นอัตตาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่มันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันมันไม่เกี่ยวกับจิตที่เป็นอัตตาหรืออนัตตาถ้าเราไปถือว่าจิตเป็นอัตตาเราก็ต้องไปแก้มันว่ามันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาอ่มันมันไม่มีตัวตนมันเป็นแต่ตัวรู้ตัวคิดผู้รู้ผู้คิดเป็นความคิดความรู้ เหมือนธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับฝนเนี่ยฝนมันมีตัวตนไหมลมมีตัวตนไหมมันก็เป็นแบบดินน้ำลมไฟท่ารู้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งท่าสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ท่ารู้ท่าที่หกก็อาวากาศจะท่าเนี่ยก็เป็นคำถามจากคุณธนากรข้อแรกบางครั้งภาวนาสมาธิบางวัน จิตก็สามารถคุมได้บ้างบางครั้งก็เตลิดไปคุมไม่อยู่แต่ผมพยายามดึงมันบังคับมันเข้าหาคำบริกรรมอยู่เรื่อยๆตลอดวันมันกับดิน้นและคิดไม่หยุดตลอดเวลาคอยปรุงแต่งไปต่างๆนานาการที่จะทำให้จิตเป็นปกติควรแก้ไขยอย่างไรครับหรือควรที่จะบังคับมันหรือเปล่าครับมันก็เหมือน เหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะเวลามันเตลิดเปิดเปิงเราก็ต้องหาอะไรมัดมันไว้ดึงมันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปทำร้ายผู้อื่นได้พอรู้ว่าหมาตัวนี้มันไปอาละวาเราก็ต้องหาเชือกมามัดจับมันไว้ฉันใดจิตเราก็ต้องควบคุมถ้ามันไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆเราต้องคอยหยุดมันต้องหยุดด้วยคำบริกรรมเนี่ยสติเนี่ย ปัญหาคือเราบริกรรมได้สองคาแล้วเราก็หยุดเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้ผลมันจะได้ผลยังไงเหมือนเหมือนกับเวลาเราเหยียบเบรครถเนี่ยรถวิ่งร้อยยี่สิบเราแตะเบรคคนเดียวแล้วก็ปล่อยมันก็ไม่หยุดนี่ยเราต้องตะเบรคไปจนกว่ารถมันจะหยุดถึงเราจะปล่อยเบรคได้ฉะนั้นพอจิตมันฟุ้งนี่เราก็ต้องพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดฟุ้งเนี่ยนะเราถึงจะหยุดพุทโธ ไม่ใช่หยุดไม่ใช่พุโทโธได้ปร๊บเดียวแล้วก็ไม่พุโทโธต่อคำถามที่สองค่ะนิมิตกับความฝันนี่มันแตกต่างกันอย่างไรครับก็นิมิตก็เป็นสิ่งที่ปรากฏตอนที่เรานั่งสมาธิตอ น, นั้นเรามีสติมองเราเห็นด้วยสติแต่ส่วนเวลานอนหลับล้วฝันนี่เป็นนิมิต ท, ที่ไม่มีเราไม่มีสติควบคุมมัน มันก็ต้องปล่อยให้บุญหรือบาปเป็นผู้จัดการกับนิมิตเหล่านั้นเป็นผู้ผลิตนิมิตเหล่านั้นขึ้นมาแต่เวลาเรานั่งสมาธิเวลามีนิมิตปรากฏขึ้นมาเราสามารถควบคุมมันได้ทำให้มันหายไปได้ถ้าเรามีสติเราก็ใช้พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับนิมิตที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามที่สามค่ะการภาวนา สมาธิจะเห็นกายทิพย์ทุกคนหรือไม่ครับเห็นของเราไม่ต้องเห็นของคนอื่นนะพอเห็นของเราเราก็รู้ว่าของคนอื่นก็เหมือนกันเหมือนหมอนี่ศึกษาร่างกายคนเดียวไม่ได้ไปศึกษาทุกคนใช่ไหมพอศึกษาร่างกายคนนี้ก็รู้ว่าร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันมีอวัยวะมีอาการสาสิบสองเหมือนกันไม่จาเป็นจะต้องไปศึกษาทุกคนคะคาถามจากคุณกาพลคะ่ะ เวลาเราสวดมนต์เป็นภาษาบาลีบางครั้งออกเสียงคำบางคำผิดเราจะได้บุญไหมครับบุญมันเกิดจากการที่เราสวดเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าใจเราไม่คิดเราได้ความสงบเราก็ได้บุญจะที่เกิดจากความสงบแต่ถ้าเราสวดเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาถ้าสวดผิดความหมายก็ผิดไปได้ แเราต้องสอนให้ถูกแล้วเราก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยสวนภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนนกแก้วที่เราสอนบอกให้พูดนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋ามันก็แก้วจ๋าพอเราหยิบแก้วให้มันมันก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งพอหยิบกล้วยให้มันมันก็คว้ามับคว้ามับเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันเราสวดบาลีเป็นภาษาบาลีธรรมะสอนให้ปล่อยวางแต่เวลาปฏิบัติเรากลับไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เป็นเหมือนนกแก้วสวดภาษาบาลีแต่ไม่เข้าใจความหมายของภาษาที่สอนให้เราปล่อยวางพอเราไปได้อะไรมาเราก็ยึดติดเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทันทีนนถ้าอยากจะสวดเพื่อให้เกิดปัญญาต้องเข้าใจความหมาย ต้องไปอ่านต้องไปสวดบทแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราจะได้เข้าใจความหมายของบทที่เราสวดว่าสอนให้เราทำอะไรคําถามจากคุณสุทัศนีค่ะ หนูเป็นสัตวแพทย์ค่ะทำงานเกี่ยวกับการรักษาป้องกันโรคให้สัตว์วันก่อนลูกค้าดับแมวมารักษาแมวผอมพุงป่องอเจตออกมามีพยาธิมุออกมาด้วยหนูจึงรักษาโดยการถ่ายพยาธิอยากทราบว่าการถ่ายพยาธิให้กับสัตว์เพื่อรักษาร่างกายนั้นผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่เจ้าคะไม่ผิดหรอกเพราะว่าพวกพยาธินี้มันไม่มีดวงวิญญาณนอะ พวกสัตว์ที่ไม่มีดวงวิญญาณนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ผิดถ้าเราไปทําลายมันเชื้อโลกอะไรพวกนี้มันไม่มีดวงวิญญาณมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีดวงวิญญาณเราตัดต้นไม้ก็ไม่บาปนะเห็นสิ่งที่มีชีวิตมีแบบที่มีวิญญาณกับแบบที่ไม่มีวิญญาณเราจะรู้ได้ไงว่าสัตว์ที่มีวิญญาณก็คือมันต้องมีตาหูจมูกนลิ้นกาย มันถึงจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่มีดวงวิญญาณพวกดวงวิญญาณต้องการตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คำถามจากคุณเชียพลไม่ทราบว่าถ้าอยากให้บุญกุศลที่เราทำส่งผลต้องทำอย่างไรครับต้องทำบุญกุศลอะไรที่ส่งผลให้เราได้สมปรารถนาตามที่ต้องการเร็วที่สุดครับ อ, อ๋อความปรารถนาของเราบางอย่างบุญกุศลไม่สามารถส่งผลให้เราได้เช่นอยากจะร่ํารวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่ทําบุญไปจนวันตายก็อาจจะไม่ร่ํารวยอาจจะไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะเห็นบางอย่างเราปรารถนานี้บุญกุศลอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้บุญกุศลนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การ ให้ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจไม่ใช่ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าบุญกุศลนี้ทาแล้วจะทาให้เราพัฒนาจิตใจจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลถ้าเราปรารถนาสิ่งเหล่านี้บุญกุศลสามารถที่จะทำให้เราได้ แต่ถ้าเราอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นประธานาธิบดีบุญกุศลนี้ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้คำถามจากคุณนิยาถ้าเราเป็นดวงวิญญาณหรือกายทิพย์เราจะมีความรู้สึกตัวดีทุกอย่างหรือเปล่าเจ้าคะเวลาเราฝันไปรู้สึกเหมือนไม่สามารถควบคุมบังคับตัวเองได้ดีเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์เลยเจ้าคะ นั่นแหละมันแสดงสภาพจิตของเราเวลาเราฝันเนี่ยมันบอกสถานภาพจิตของเราว่าเราเป็นอย่างไรอีกคําถามจากคุณนิยาค่ะคนทําชั่วย่อมมีอบายเป็นที่ไปมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้าความชั่วเขามากมากกว่าความดีที่เขาทําถ้าความดีเขาไม่มากกว่าความชั่วยังไม่สามารถดึงเขาไปอบายได้ ความดีจะดึงเข้าไปสวรรค์ก่อนหมดแล้วเลยยังมีอีกต่อไปค่ะคำถามจากคุณวิไลพรค่ะมีนกมาไขไว้ที่ขอบหน้าต่างที่บ้านเลยเอาพลาสติกไปปิดบานมุงลวดผ่านไปห้าวันไปดูไม่เห็นมีรังมีแต่ไขอย่างเดียวควรทําอย่างไรดีชจ้าคะจะได้ไม่มีกรรมต่อการกับนกนี้วันแรกที่เห็นนกก็ตกใจร้องเสียงดังนกก็เลยบินหนี ตอนหลังไปดูก็มีไข่นกจึงคิดว่าเพิ่งมาไข่ค่ะผ่านไปห้าวั น, <ๆ>วนก็ไม่เห็นยญ้าแห้งแบบเนี้ยแม่นกไม่ได้กลับมาตั้งแต่วันที่ตกใจเจ้าคะ่ะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไปเขาจะไปก็เรื่องของเขาเขาจะกลับมาก็เรื่องของเขาถ้าหลังเขายังมีอยู่ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนก็ได้เผื่อเขาจะกลับมาจะได้ไม่ไปทําลายบ้านของเขา คำถามจากคุณธนากรค่ะ อ, อย่างไรครับที่เรียกว่ามีความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนและจะเพียรอย่างไรให้ต่อเนื่องไปไม่ขาดครับก็ฝึกสติทั้งวันทั้งคืนไงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะให้มีสติอยู่ในปัจจุบันดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันหยุดคิดปรุงแต่งพอเราคิดปั๊บมันจะไปอดีตไปอนาคตทันทีพอเราหยุดคิดมันก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามันไม่ยำอยู่ปัจจุบันเราก็ใช้กรรมฐานช่วยดึงมันมาใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธดึงมาหรือช่วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดึงกลับมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความเพียรทำได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าทำพอเห็นผลแล้วอยากจะทำพราะทำแล้วมันใจเบาใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายใจมีความสุข ถึงแม้ว่าจะไม่สุขแบบเต็มที่แบบที่นั่งสมาธิแต่มันก็เห็นผลนะล ว, ว่าสตินี้ดีอย่างไรพอได้ผลแล้วมันก็อยากจะนั่งสมาธิต่อแล้วมันก็จะได้พบกับความสงบที่เต็มที่ต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ ะ, คะการฝึกนั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักมีอาการปวดเขา่าเรียนถามว่าผมควรเอาสติ ไว้ที่คําบริกรรมหรือว่าเอาสติไว้ที่อาการปวดเขา่าจนกว่าจะหายครับออยู่ที่คําบริกรรมดีกว่าเพราะอยู่ที่คําปวดกะอาการปวดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากมันจะทรมานใจ<อ>จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธมันก็จะลืมความเจ็บปวดได้แล้วมันก็จะไม่ทรมานนั่งต่อไปได้ ขอหคหยคําถามครับอาจารย์ท่านพอาจารย์เคยบอกว่าถ้าจะปฏิบัติได้ดีต้องมาบวชที่วัดแต่ก็ยังมีภาระอยู่ยังบวชไม่ได้จะปฏิบัติอย่างไรให้ดีที่สุดครับก็ทําแบบมือสมัครเล่นไปก่อนนะักกีฬาเขาก็มีสองระดับระดับสมัครเล่นกับระดับมืออาชีพนะถ้ายังไปมืออาชีพไม่ได้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดในสถานภาพของมือสมัครเล่นไปก่อน ก็ทำให้เต็มที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนต่อไปพอเรามีโอกาสเราก็จะสามารถเปลี่ยนจากสถานภาพนี้ไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งได้เอาล้นะวันนี้หมดคำถามแล้วใช่ไหมพ่อการพยาธิอ่ะเอาเวลาพูดไปนี่คืออะไรอ้าเนี่ยก็ที่เกิดมาก็ความอยากของเรานี่ อยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องเลิกดูเลิกฟังเลิกเที่ยวเลิกเล่นไปนั่งสมาธิแทนไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนต่อไปพอไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเอาละนะ